ที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นทุกขเวทนาและทั้งที่เป็นความรู้สึกที่รับรู้ที่ผ่านต่ออายตนะต่างตาหูจมูลิ้นกายาสำรวจจริงๆชีวิตเรามีแค่นั้นชีวิตคือความรู้สึกทีนี้ในการตอบสนองต่อความรู้สึกทางกายที่มีอยู่เนี่ย ถ้าเราไม่พยายามทำเจีขวคุ้นเคยจิตของเราก็จะจะล่องลอยไปกับความฝันนะความฟุง้งความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อดีตอนาคตซึ่งจะไม่มีไม่มีความมีชีวิตรจริงเลยนะเป็นชีวิตที่ฝั น, ฝน ล, ลอยไปโดยเฉพาะเราไปอยู่กับความคิดอยู่กับอดีตอนาคตในสิ่งที่เราพูดเราทําเราคิดมาแล้วก็ไปอยู่กับมันอยู่นั่นแหละอันนี้ถ้าเราไม่อยู่กับตัวปัจจุบันที่เป็นความจริงอยู่นี่ชีวิตของเราก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรนะนั้นถ้าจะว่าไปนี้ <c oughs> การเก็บอรมณ์คือการอยู่กับความรู้สึก ตัวที่เป็นปัจจุบันซึ่งมันไม่มีอะไรเลยนะจะไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องพิเศษและแตกต่างไปเลยนอะกจากความคิดเท่านั้นที่ทำให้เราพิเศษแตกตา่างดีไม่ดีมันมีอยู่แค่นั้นนะจริงชีวิตมีความรู้สึกกายีเป็นทุกขเวทนา แล้วก็มีความรู้ศึกใจคือการรับรู้ต่ออยายัญนะทั้งหกการรู้ต่ออยายัญน์ก็มีตาที่กําลังเห็นอยู่หูที่กําลังได้ยินอยู่ใจที่กําลังรู้อยู่กายนะมันก็รวมมาอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นอะ แล้วก็เหลือรูปยอดลงมาก็เหลือแค่อสองความรู้สึกกายรู้สึกใจที่เราเรียกว่ารูปกับนามนะความรู้สึกกายเรียกว่ารูปความรู้สึกใจเรียกว่านามแต่ว่าคําแค่สองคํานี่ยช่างเข้าใจยากแล้วก็อยู่กับมันยากเหลือเกินถ้าหากว่าเราไม่สามารถอยู่ได้กับความรู้สึกสองประการนี้ก็ ชีวิตของเราก็จะไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารได้เลยนะใหอยู่ด้วยความกับความร่องรอยความคิดความฝังอดีตอนาคตความสุขความทุกข์ความถูกความผิดความดีความชั่วซึ่งเป็นเรื่องสมมุติออกมาจากความรู้สึกท้งนั้นมันไม่ใช่ความจริงที่มีอยู่ขณะนี้เป็นอดีตอนาคตเท่านั้นขณะนี้ก็จะมีคนรู้สึกอยู่สองตัวรูปกับนาม รู้สึกกายย่นด้านอนแขนงเคร่งตึงรู้สึกใจสบายไม่สบายมันก็ไม่มีเรื่องมากละถ้าหากว่าเรารู้กันแค่นี้นะแต่ถ้าหากเราเป็นผู้แสวงหาความไม่ความไม่ทุกข์มันง่ายนะเรอรูอยู่แค่สองหลักเนี่ยรู้สึกกายรู้สึกใจในนี้ชีวิตวันในที่เราทำกันอะไรมากมายนะ พอเราตอบสนองต่อความรู้สึกกายที่ไม่ใช่กายความรู้สึกใจที่ไม่ใช่ใจเป็นความรู้สึกกายที่ไม่ใช่กายก็หมายถึงว่ามันเป็นกายใหม่กายใหม่ที่เราต้องการที่จะสร้างมันขึ้นมาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นอะไรเช่นเราอยากจะได้ของใหม่ๆ อ, อยากจะได้สิ่งใหม่ๆอยากจะได้ของเล่นใหม่ๆอยากจะได้พบ เห็นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เราอยากพบอยากเห็นพวกนี้ยมันเป็นกายใหม่เป็นสิ่งใหม่เป็นเรื่องใหม่ที่เราคิดขึ้นมาว่ามันจะดีมันจะตอบสนองต่อความสุขความสบายความอยากความหวังความสําเร็จเราก็สร้างกายเหล่านั้นขึ้นมากายใหม่ที่เราได้มานี้มันก็เรียกว่านามวารูุ ซึ่งนามรูปนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาในใจอ่าันใช้คำว่าการัชกาย น, นั้นเองการปฏิบัติเราก็เพื่อที่จะสลัดทั้งกายนอกกายในทิ้งกัาไปให้มันเหลือแต่นามล้ว น, วนเป็นนามที่เป็นไม่ปรแต่งรูปที่มันไม่ปรแต่งเขาเรียกว่าเป็นปรมัตนามที่ไม่ประดั ง, งเขาเรียกว่าเป็นปรมัต ปรมัดมีแค่สี่จิตเจตสิกกรูปนิพานจิตกับเจตสิกที่มันรับรู้ทางอายตนะนี่ก็เรียกว่านามรูปกับนิพานก็เป็นปรามัดจิตเจตสิกก็เป็นปรามัดมันก็มีสี่แค่นั้นเพราะเพราะเมื่อไหร่ตัวจิตเจตสิกปรุงแต่งขึ้นมา มันก็ไม่เป็นปรมัตแล้วมันก็จะเป็นรูปเรียกว่านามารูปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรามักจะมองข้ามมันนะอยากจะให้ใการศึกษาเรื่องนี้เป็นไปโดยจริงจังนะคือเรื่องมันจะน้อยลงนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซ้อนเรื่องที่เราหวังเราอยาก ที่จะเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะได้นั่นได้ น, นี่ไม่ว่าเป็นรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเกินเป็นเรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์แต่เราก็ไม่รู้เราก็แสวงหามานั่นก็เรียกว่าเราไม่เข้าใจความจริงถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราต้องการ ร, ากรู้ศึกษาเข้าใจแต่ว่ามันก็พบแล้วก็อยู่มันตลอดนะแต่เราก็ไม่เข้าใจมันเราก็ไม่อยู่กับมันได้ เพราะเรายังไม่รู้รูปนามตามความเป็นจริงนี่แหละรูปนามตามความเป็นจริงคือหมายความว่าสิ่งที่เป็นอยู่เฉพาะปัจจุบันรูปก็เป็นรูปจริงข้อมูลความรู้สึกทางรูปเยื่ออ่อนแข็งเท่งตึงเจ็บปวดมีอยู่แค่นี้เรารู้ไปอยู่แค่นี้เนะนี่ส่วนที่เป็นนามสิ่งที่มากระทบตามหูวใจมูดวิญญายก็รับรู้เท่าที่มันกระทบนี่ก็เป็นนามจริงจริงรูปกับนามก็มีอยู่แค่นี้ แต่ทำไมมันจึงไม่คงที่อะความรู้ลู่น้ำแล้วลู่แป๊บเดียวพอเผือแป๊บล้วก็ไปสร้างลู่ใหม่นาใหม่อยู่ย่างเงี้ยเลยๆไปโลกมันถึงจะมีกระทุกกระทุกคำว่าทุกขในที่หมายถึงว่าทุกที่เกิดจากอุปท า, านนะแต่ทุกที่เกิดกับร่างกายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันมีอยู่โดยสัจจะของมันเขาเรียกทุกขังอนิจจังอนัตตา เพราว่าที่ไหนมีลูกที่นันก็มีทุกเพราะฉะนั้นทุกขของรูกเนี่ยเราไม่สามารถจะหลบหลีกปีกเลี่ยงไปไหนได้ท่านมีแต่ให้ศึกษาและเข้าใจมันเท่านั้นเองนะเมื่อเราศึกษาและเข้าใจความทุกข์ที่มีอยู่กับลูกเราก็ไม่สําคัญมันหมายความทุกข์ของลูกเนี่ย เ, เป็นเป็นเดาอ่าทุกข์ของลูกก็เป็นกฎของอนิจังกฎของอนัตตาพอรารู้อย่างนี้ทุกข์ของลูกก็เลยไม่เป็นทุกข์ ทุกของลูกเก็บเพียงปรากฏการปรากฏการที่เราจะต้องบำบัดแก้ไขเอาใจใส่ดูแลนะคบประงมเยียวย า, าให้มันอยู่ตลอดเวลาตื่นขึ้นมาลองดูเรื่องของกายที่เราต้องยุ่งกับมันตลอดนับตั้งแต่ตื่นนอนล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวกินข้าหุงหาบำบัดเลึก ทุกเวทนานะการเก็บการปวดการไข้การหนาวยุ่แต่และเวลาแต่ว่าเราไม่เคยดูพฤติกรรมเหล่านี้ว่ามันเป็นเรื่องของทุกข์ทางกายที่เราต้องบำบัดแก้ไขมันเรามักจะลืมมันไปซะแล้วก็ไปสแสวงหาอะไรที่มันลึกๆที่มันไม่ใช่ความจริงเฉพานะหนะ้าอย่ า, าเพิ่งจ่จะต้องสแสวงหาบำบัด ด้วยอาหารด้วยน้ําด้วยข้าวด้วยเครื่องอปรุงแต่งทั้งหลายแม้แต่การเปลี่ยนแปลงในกระบทการเคลื่อนไหวนี้ก็ก็เป็นเหตุของทุกข์ทางกายที่เราต้องพลิกไปพลิกมาหมุนไปหมุนมาจนนับไม่ถ้วนนี่ก็เป็นเรื่องของรูปทั้งหมดแต่เรามักจะตอบสนองสิ่งเหล่านี้ด้วยความไม่ไม่เข้าใจก็คิดว่ารูปนี้เป็นทุกข์ เราเราก็วิ่งไปทำเรื่องอื่นแล้วก็ลืมทุกที่อยู่บปัจจุบันเฉพาะหน้านี้เสียแล้วก็วิ่งไปหาความต้องการที่ใจมันอยากใจมันปรารถนาหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาลาภหายุธหาชื่อหาเสียงหาทรัพย์สมบัติหาลูกหาผัวหาเมียหาเพื่อนไปอยู่เงี้ยน่ะตลอดแต่ว่าใจของเราที่มันรู้สึก อยู่เฉพาะหน้าที่มันมีสิ่งที่มากระทบอยู่เฉพาะหน้าเสียงที่มากระทบเราก็ไม่ได้อยู่กับเสียงจริงๆรูปที่มากระทบเราก็ไม่ได้อยู่กับรูปจริงๆริงนเลิศสัมผัสอารมณ์ที่มาทบเราก็ไม่ได้เห็นมันจริงๆเรากลับไปสร้างเรื่องราวใหม่ไปเรื่อยๆ ไ, ไปเลย <ผม S 1> นี่ก็เราก็ลืม ความไปรูปไป น, นามแท้ๆข อ, ข, อของของเราเองอเพราะฉะนั้นเรื่องจริงๆถ้าสํารวจจริงมันมีไม่มากนะมีแค่สองอย่างนะแค่สองอย่างแต่เราก็ไปขยายไปไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนอย่างนะอเนกอนันตรการทาไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่รู้นะ่ยแต่พระพุทธเจ้าท่านก็นจสรู้มาท่านมารู้เรื่องนี้แล้วท่านก็มาบอกเรา แต่บอกเรามันก็ไม่น่ารู้สึกเราไม่ไม่ค่อยไว้วางใจที่จะเชื่อเท่าไหร่นะไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ทำไมเรื่องมันง่ายมันน้อยเหลือเกินละ่ะแต่ทำไมที่เขาสึกนำมาอบรมสั่งสอนเนี่ยมันช่างมันวิจิตพิสดารลึกลับซับซ้อนทาไมจึงเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่พระองค์จัดง่ายๆนะท่านจัดว่า สิ่งทั้งหลายนี่มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานทุกอย่างสําเร็จมาที่ใจนะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะใจเป็นผู้นําแล้วแต่ใจจะคิดแล้วแต่ใจจะรู้ว่าใจจะรู้อะไรใจจะคิดอะไรไมันจะพาไปท่านก็บอกต่อมาว่าใครผู้ใดเห็นตัวเราผู้ใดเห็นตัวเราคือตัวรูปตัวนามเนี่ยผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นรูปเห็นนามผู้นั้นเห็น รู้ตื่นเบิกบานผู้ใดเห็นความรู้ตื่นเบิกบานผู้นั้นเห็นเหตุของทุกข์ง่ายๆเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยไว้วางใจที่จะเชื่อเท่าไหรนะ่นี่ทำไมมันง่ายนะแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้นะสิ่งที่พูดมันรู้รู้หมดอหะแต่เรายังไม่ตอกย้ําซ้ําเติมให้มันเป็นจริงเนะี่ยเรายังมีอะไรที่ต้องอแยกแยะคุณคิด ปริประดอยออกไปเรื่อยๆเนี่ยขาจะว่าเอเป็นเรื่องของปัญญาหรือเป็นเรื่องของ อ, อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะนำมาคิดมาฝันนะดังนั้นพี่อยากดูให้ดีว่าเราได้อยู่กับร่างกายนี้ด้วยความฉลาดอดทนมากในแต่ละวันนะ แต่ถ้าหารู้จากว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เราจะอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ต้องทําอะไรเลยนั่งแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินแล้วก็นั่งนอนเล่นไปไม่ต้องทําอะไรมันทุกข์ถ้าอย่างนี้ถูกไหมก็อย่าไปทําอะไรอะ่ะมันทุกข์อย่าไปทําอะไระถ้าทุกคนคิดอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นถามว่าถ้าเราทุกคนรู้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์เราไม่ต้องทําอะไรเพราะมันทุกข์อยู่แล้วนี่อยู่เฉยๆได้ไหม ้าพระพุทธเจ้าท่านแต่สุรท่านคิดอย่างนี้เนี่ยเราจะมีเราจะได้รู้เรื่องนี้ไหมยวาจริงขพระพุทธเจ้าท่านก็เกือบจะไม่พูดเรื่องนี้เหมืันเปนนะมันพอดีมีพรหมไปเตือนท่านโอ้ยไปคิดอย่างนั้นเลยไอคิดอย่างนั้นก็คนที่อยากจะรู้ต่อไปมันก็หมดเลยไม่มีโอกาสสิเพรอท่านบอกว่เอ้สิจรงจริงมันมีนิดเดียวนะแต่สิ่งที่คนทําคนพูดคนคิดไปมันไม่ใช่เรื่องที่จะรู้เนี่ยแต่เรื่องรู้นี่มันมีนิดเดียวนี่ คือเรื่องกายเรื่องใจลูกกับน้ำเพราะนั้นอย่าไปสอนให้มันยากเลยไม่มีใครอยากรู้เรื่องนี้หรอกนี่คิดอย่างนี้นะพุทธิจ่าจะซู้ใหม่ใหม่ท้าสัมบวิภมก็มาจากโลกพรมมาโลกเข้ามากราบว่าอขอพระ อ, องค์ได้เ อ, อื้ออินดูตัอสัมพัสัต์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีทุลีในดวงตาบาบาบางจงแสดงธรรมแก่เขาพวกนั้นเถิดนะพระ อ, องค์ก็เลยเออ ก็ลองดองรู้นะเผื่อมีคนรู้ท่านก็มาพูดตอนแรกท่านก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะสอนใครนั่งมาพูดกับคนที่พบเอจอเจอไปพบกับฝูงเด็กเลี้ยงควายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยก็ลองพูดให้ฟังพูดให้เด็กเหล่านั้นฟังเด็กเหล่านั้นก็ตั้งใจฟังเอยเรื่องนี้เราไม่เคยไม่ยินมาก่อนคือพูดให้เด็กให้เห็นปัจจุบันอะปัจจุบันนี้อะไรเป็นยังไงเด็กพวกนั้นก็ เขาก็เกิดม า, าก็อยู่ในถ้ำกลางของความคิดความปรุงแต่งมันพ่อเป็นแม่เขานะพอพระพุทธเจ้ามาพูดถึงว่าเอ๊ะมันต้องมาอยู่กับกายกับใจดูซิว่าเดี๋ยวนี้เธอรู้สึกอย่างไรเธอกําลังคิดอะไรไหมเธอกาลังพูดอะไรไหมเธอกำลังรู้สึกไงในร่างกายเป็นไงบ้างขณะนี้มีเจ็บมีปวดไหมมีร้อนมีหนาวไหมมีสบายไม่สบายมีไหมมีมแล้วเธอรู้จักไหม รู้กไอาการที่เธอต้องเคลื่อนต้องไหวต้องไปต้องมาต้องกินต้องดืม่มต้องเล่นต้องแห่งจั่งนี่เพราะอะไรเธอรู้จักไหมไม่เคยรู้จักให้มารู้จักให้มาตื่นตัวให้รู้ตัวพอเด็กเหล่านี้ได้ฟังงนี้ก็เลยเด็กเรานี้บอกว่านี่มันเรื่องตื่นตัวนี่เป็นเรื่องตื่นอยู่ปัจจุบันก็เลยไปเรียกชื่อของเจ้าชายชีสาใช่ไหม่มว่าพุทธทะ แต่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นเพรานั้นนามว่าพุทธะจิงชื่อของพุทธองค์นี้ได้นามเพราะเด็กเขาเรียกพระองค์พุทธจิพุทธะคาเรานามพุทธเจ้านนัก็เกิดขึ้นคือพุทธองค์พุทธะสัพพุทธะสัสดาพุทธะโคดมพุทธะไม่มีเจ้าแต่เรามันติดเจ้ามานานอะไรดีก็ว่าเอาเจ้าใส่เข้าไปหมดพกครั่งทั้งหลาย เอาไม่ได้พระพุทธจเาจา้ากาเจ้าไว้ใส่พระพุทธองค์โคตมพุทธะให้นั้นเพราะนั้นเองเราทั้งหลายก็ไปหลงประเด็นอย่นั้นหลงประเด็นไปกับเรื่องคัมภีร์ตำราดังนั้นการเก็บอารมณ์จึงเก็บได้ตลอดเวลาแต่ใครก็ตามที่ปฏิบัติเก็บอารมณ์เรื่องนี้แล้วยังไมไม่เท่าเอาเมต翰แสดงว่าในช่วงเก็บอารมณ์ไปรู้เรื่องอะไรไม่รู้กปอยู่กับความคิดไปอยู่กับความอยากไปอยู่กับความฝัน ไม่ได้อยู่ความจริงพอออกจากอารมณ์มาก็มีอะไรไปกระทบก็วิ่งไปอันนั้นไปเอาชิงเอาจังเอาเป็นเอาตายก็เรื่องเหล่านั้นปับลืมไปเลยลืมรูปลืมน้ำไปสําคัญอย่างอื่นไม่เห็นรูปเห็นนามไปไม่เห็นรูปเห็นนามคนอื่นไปเห็นเป็นกูเป็นมึงเป็นเขาเป็นเราเป็นชีเป็นพระไปหมดแทนที่จะเห็นว่าเป็นรูปเป็นนาม้เราก็เป็นรูปเป็นนามเขาก็เป็นรูปเป็นนามรูปนามของเราทุกรูปนามเขาก็ทุก นี่ถ้าหากว่าเห็นพิรุปนามมันจะเกิดสํานึกขึ้นมาว่าเขาก็ทุกข์เราว่าคนต่างทุกข์เราอย่าไประเกียดเดียวฉันก็จะไม่ไปตีเต้นกัทําไมไปด่าว่ากันทาไมต้องเมตตาสงสารกันนี่ถ้าคนเห็นรูปเห็นนามจริงจะเกิดความเมตตาสงสารไม่มีคนถูกไม่มีคนผิดไม่มีคนช้าไม่มีคนเด็วไม่มีเขาไม่มีเรามีแต่ทุกข์กับทุกข์เราก็ทุกข์เขาทุกข์การเคลื่อนไหวของทุกข์เท่านั้นเกิดความเมตตาสงสารเกิดความเห็นอกเห็นใจเกิดการให้อภัย ดูแลเอาใจใส่เมตตาซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเข้าใจถูกต้องแล้วมันจะออกมาแบบนี้นะแต่หากเข้าใจยังไม่ถูกยังรู้เป็นเราเป็นเขาเป็น ก, กูเป็นมึงเป็นผ้าเป็นเนินเป็นเห็นเป็นชี อ, อยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่ยังเข้าใจไม่ถูกก็จะทุกต่อไปคนอย่างนั้นต่อไปไม่จบนะเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะให้ทั้งคนที่เก็บอารมณ์ไม่เก็บอารมณ์ เฝศึกษาเลืนี้การงานเป็นเพียงตัวช่วยฝึกความรู้สึกของเราให้ชัดเจนอย่าลืมการงานเป็นเพียงช่วยฝึกให้ความรู้สึกของเราได้ชัดเจนขึ้นเพราะบางทีอาจจะอยู่ปกปติเราอาจจะไม่เห็นทุกได้ชัดพอไปทา ง, งานหน่อยเงอแจกเงอพังเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าปวดนั่นปดนี้เราจะเห็นทุกชัดยิ่งเห็นทุกชัดจิตมันก็ยิ่ง ออนยิ่งโยนลงมาถ้าหากคเราไม่เห็นทุกชัดแล้วมักจะหลงตัวเองติดสุขเวทนาหลงสำคัญมั่นหมายความสุขของเราความสุขเป็นเราเราเป็นสุขความทุกข์เป็นเราเราเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละไม่เห็นเราเห็นทุกเห็นสุขเห็นทุกขเป็นเราไม่เห็นสุขเป็นสุขไม่เห็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่เห็นรูปเป็นรูปไม่เห็นนามเป็นนาม เรจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดพบชาติกับกันไม่มีหวังที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ้าหากว่าเราไม่มาอยู่ความจริงข้อนี้นะนั้นเองเอามาก็มักจะดูนะดูคนที่เขาปฏิบัติแล้วว่าเขาอยู่กับรูปกรมนามได้จริงไหยส่วนใหญ่ก็ยากนะรู้เหมือนจะรู้แต่มันไม่รู้พอ ทำถ้าจะรู้มันก็หลุดไปกับสิ่งที่มากระทบโดยเฉพาะเวลาเราไปทําการทํางานเราจะรู้ทันทีว่าใครหลุดและไม่หลุดนะมันไปกับความอยากเพราะฉะนั้นก็จึงพยายามตั้งต้งตนใหม่เสมอนะถ้าได้สติตั้งต้นใหม่ได้สติตั้งต้นใหม่อยู่อย่างนี้แหละจะไปทําเรื่องเล่นจะทําทเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นไม่ได้นะทำปฏิบัติไปเล่นเล่นมาเห็นมีอะไรปฏิบัติมานานแล้วมันก็รู้แค่นี้แหละ จะ อ, อะไรมากกว่านี้อันนี้ประมาทตัวเองนะเหมือนก็การขุดดินเลยนะถ้าหากว่าเราขุดดินมันไม่ค่อยเข้าเนะี่โอ้ไม่ไหวแค่นี้ขุดไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่าไปเจอคนที่เอาชิงเอาจังเนะียขุดได้ทําไงก็หาขุดให้แรงกว่าเก่าหาเสียมหาจอบให้คมกว่าเก่าทำไงให้ดินมันอ่อนกว่าเดิมน้ำมาเทใส่ อยู่ที่ความพยายามแต่อีกคนนึงไม่พยายามโอุดแล้วมันไม่เข้าเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแรงไม่พอสองดินแข็งก็ไม่มีการแก้ไขออืจอบเสียไม่คมก็ไม่มีการรับกันฝนเนี่ยนะมันก็เลยยอมจำนวนมีแค่นี้นี่มันการรัฐปฏิบัติไปแล้วมันไม่ก้าวค่อยหน้าไม่ลึกไม่แหลมไม่คมไม่เจาะไม่แทงทะลุถึงธรรมก็เพราะว่าหนึ่งความเพียรเราอ่อนไปสองเราไม่ค่อยจริงจังสามเรา ไปดูถูกตัวเองก็คงทำอะไรไม่ได้มากกวันนี้หล้วก็เลยอยู่แค่นั้นแหละแต่ถ้ามีการขวนขวายพยายามนะมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเองก็อะไรที่มันเคยชินมันเพลินนะมันก็จะทื่อด้านแต่ถ้ามีการตั้งต้นใหม่เสมออะไร ขณะนี้ใจเราดีไหมใจเราไม่ดีตั้งต้นใหม่ทําใจดีขึ้นมาอันนี้ขณะนี้ใจเราเศร้ามองไหมตั้งต้นใหม่นะทําอย่างนี้ตลอดเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ก็จะเกิดความเข้าใจเกิดความเห็นใจตนเองและผู้อื่นนะโดยเฉพาะเราอยู่วัดเนี่ยจะต้องมีหลักของความเมตตาเอื้ออาทรนะเป็นหลักเลยนะคนอยู่วัดนี่แล้วว่าเป็นคนที่โกรธใครไม่เป็นว่าใครเป็นแต่ยอมเขาอย่างเดียวนะ ใครจะด้จะว่าใครจะว่างไม่ยอมเราต้องอ่าปวดไม่เป็นโลคไม่เป็นหลงไม่เป็นแต่ทําหน้าที่เป็นทําหน้าที่ดีที่สุดถ้ายังโลคยังปวดยังหลงยังอิจฉาพยาบาทยังอ่าไม่มีเมตตาเนี่ยเลยยังเป็นคนวัดไม่ได้ก็มันเพราะอะไรเพราะคนวัดที่จะเห็นทุกข์ได้ดีกว่าคนอื่นเราจะต้องเมตตาคนอื่นที่เขาไม่เห็นทุกข์นะ แต่ชาวบ้านเขาไม่เห็นทุกทุกท่กวมหัวท่มตัวนี้เขาก็ไม่รู้สึกแต่คนที่ปฏิบัติจะรู้สึกทุกตัวนี้ที่มันเผาเราเราก็จะเห็นใจเขามันเผาเราเราดับมันได้นี่เพราะเรามีการปฏิบัติภาวนาแต่ถ้าอยู่วัดเราไม่ปฏิบัติภาวนาแล้วเรา เ, เอาปัญญาที่ไหนมาดับทุกข์อะเมื่อมีปัญญามาดับทุกข์เราก็ยังโกรธยังเกลียดยังเคียดยังขุนเพราะทุกข์มันเผา แต่พอเราปฏิบัติภาวนาอยู่เนี่ยถึงเราจะมีความทุกข์กายเราก็ดับความทุกข์กายเป็นมีความาโกรธเกลียดเคียดคุณก็ดับเป็นมีความ โ, โรคป่วหลงก็ดับเป็นอยู่อย่างเนี้ยคนภาวนานั้นทุกเหมือนกันแต่ว่าไม่ทุกเหมือนชาวบ้านเพราะเราดับเป็นแต่คนทุกอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาทุกตลอดเพราะเขาดับไม่เป็นเพราะนั้นเรามาอยู่วัดเพื่ออยู่เพื่ อ, อฝึกฝนให้ดับทุกเป็นเท่านั้นนะเนมื่อต้องการทุกก็ต้องทุก เมื่อมันทุกมาเกินจําเป็นก็ดับก็แก้ไขได้นะอันนี้คือความไม่เปรียบของคนอยู่วัดวัะนั้นเราต้องภาวนาเสมอต้องเอาการเก็บอารมณ์เท่านั้นเท่านี้อย่าไปพลาดโอกาสเวลามีงานก็ทํางานไปภาวนาไปไม่ใช่ว่าภาวนาไปแล้วก็ทิ้งงานหรือทํางานไปเราทิ้งภาวนาไม่ใช่ทำหนึ่งให้มันได้สองอยู่เสมอเนี่ยถือว่ามันจะได้ประโยชน์นะ พราะนในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันที่เจ็ดวันที่7เจ็ดนะก็จะพอดีพวกกลุ่มของชาวคนกรุงเทพที่เขาไปฟังทำอยู่กรุงเทพสวนรถไฟนะสวนมกนุกกรุงเทพที่กรุงเทพนี่เขาก็อยากจะเข้าู่ที่ทุกเดือนก็เลยรวมกันแต่ละเดือนเดือนนี้ก็ดที่ ทำแสงเทียนกันแต่เดือนหน้าว่าจะเะเดินกรุงเทพเขาจะมาเดินธันวาแต่เดือนพฤศจิกายนจะกลุ่มมาจากอเมริกานี่เขาจะที่แรกจะไปให้ไปจัดที่เชียงใหม่แต่ทางเชียงใหม่เขาอยากจะมาร่วมที่แพร่ก็เลยดูก่อนว่าจะจัดที่นี่หรือจัดที่แพร่แสงเทียนใ น, นจะพร้อมก่นก็จะเลือกอีกทีหนึง่งก็ยิ่งใกล้พฤศจิกาเข้าไปายิ่งเวลายั่งไม่มี เพราะในช่วงต้นพิจิกาพระค้อนี้นั่ก็ต้องเตรียมงานกันรีบเตรียมงานกันนะครับรีบกว่านี้มันอยากจะไม่ทันเตรียมถนนหนทางน้ําไฟก็ธาตุจริงก่อสร้างอํานวยความสะดวกที่พระพาอาศัยเพราะจะเปลี่ยนหลังคาให้เป็นสังกะสีก็ไม่ทันอีกเพราะว่าเรามีงบประมาณจํากัดทําได้แค่ไหนก็แค่นั้น ทีหลายอย่างที่ต้องการจะทําแต่ว่ามันก็ไม่ทันเนี่ยเอาเท่าที่ทำได้นี้เพราะว่าคนเขาอยากมาปฏิบัติด้วยแต่ว่าที่พักพายายไซไม่สะดวกไม่ปลอดภัยเราก็ไม่อยากจะชวนเข้ามาเขาอยากจะมาแต่เกิดเขามาไม่สะดวกไม่ได้อารมณ์ไม่ได้นั่นก็เสียวเวลาเขาที่ไหนที่เขาดีสปายาดีก็อยากให้เขาไปที่นั่นเพราะว่าเขามาทําได้เต็มที่ไม่เสียวเวลามาแล้ว ที่พักอาศัยที่อยู่ที่กินไม่ค่อยปกติไม่เคยถูกสุกรักษณะก็ทําให้เขาสระเวลาอันมีค่าของเขาเสียไปเฉแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขนะเรื่องน้าเรื่องไฟเข้าปลาอาหารที่พักอาศัยให้สะอาดให้เรียบร้อยโดยเฉพาะความเรียบร้อยความสะอาดเรียบร้อยไหนพอจะทําได้ก็ทำํำนะเพราะว่าเราอยู่ในเสนาสนะป่ามีคนน้อย ต้องานก็มากหน่อยก็ต้องพยายามทาอยู่ที่ไหนก็ให้สะอาดอยู่เสมอต้องมันเก็บมันเมี้นมันของอะไรอิเลคเเคขายู่ทีงไหนก็ช่วยกันคนเราไม่ละมือไม่ใช่ปล่อเป็นหน้าที่ของคนนนคนนี้เราช่วยกันตามบุตรีแอง่างก็ต้องมันเดินไปดูว่าตุนบุตรีตรงไหนมันลบมันโปะมันขึ้นมันผุมันพังก็ต้องไปกวาดไปปัดทําได้นะงานบางอย่างก็จําเป็นลิ้งด่วนต้องทําก่อน วีงานจําเป็นต้อมีนะบางอย่างก็อยากจะทาให้มันเสร็จก็ไม่เสร็จเพราะงานจําเป็นมันเข้ามาเ่าเดไฟช็อตเดือยน้ำํำลวเดือยน้ําขาดททางไม่ดีที่พักไม่ดีรั่วกต่างีงานจําเป็นเฉพาะหน้ามันมาก็รีบไปทําิีงานแต่ละอย่างก็ไม่ใช่ของง่ายๆทําวันก็ทําได้ชิ้นสองชิ้นก็มดืดละเ ว, าวลาไม่พอ นั่นเองการปฏิบัติจะให้มันดูละนาการไปได้ทุกเรื่องนะไม่ใช่ไปนั่งนอนเสวยอย่างเดียวต้องทําไปได้ทุกเรื่องแต่ถึงเวลาทําก็ทําริจริงนสร้างจังหวะก็นั่งทําให้มันสามชั่วโมงห้าชั่วโมงเดินยก็เดินจริงจริงไม่ใช่เดินเดินเล่นเล่นนั่งๆ่งนอนนไปโดยที่ไม่เห็นอะไรเป็นเรื่องเวลาอย่างน้อยคือให้มันเห็นทุกข์นั่งให้นานไม่ใช่นั่งอะไรนั่งให้มันทุกข์ทุกข์จริจริงมันถึงที่สุดมันเป็นยังไง นั่งเล่นเล่นอนนอนมันทุกข์ไม่จริงอไงนะมันก็ทําให้เราไม่เห็นมันอย่างที่ว่าขุดดินก็ขุดให้มันจริงจรขุดให้มันเหนื่อยดูอขุดปอกๆแป๊กเล่นมันมันไม่ได้การได้งานขุดให้มันเต็มที่เหมือนกันเนี่ยนั่งประเดี๋ยวคนนั่งให้มันเต็มที่ให้มันเห็นทุกข์จนกระทั่งว่ามันไม่อยากที่จะไปยึดทุกข์ไม่ใช่ไม่อยากทุกข์นะเห็นทุกข์จะเห็นทุกข์จนไม่อยากทุกข์เหมือนก้อนไฟอะมันร้อนจนไม่อยากจับเลย แต่จะไปห้ามไฟมาให้มันไหม้ไม่ได้ไปห้ามกายนี้ม่ให้มันทุกข์มันไม่ได้ทุกข์นี่มันจึงเหมือนก้อนไฟแต่เราจะไปถึงร่างกายมันทุกข์เหมือนก้อนไฟแต่เราไปยึดถือก้อนไฟนี้เป็นเราร่างกายมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงเสมือนก้อนไฟแต่ถ้าว่าเราไปปกไปปิดไปมิดไปบังเอาไว้มันก็ไม่เห็นทุกข์ละนั่นก็เราจะไม่เข้าใจสภาวาจะสัจธรรมนะ